พระตรายปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิสองชื่อมัชฌิมานิกายมูลปัญ น, นาตมีห้าสิบสูตรสูตรที่หนึ่งสเรียกมูละปริยายวัก ค, คือวักที่นำมาด้วยมูลปริยายาสูตรพระสูตรที่หนึ่งมูละปริยายาสูตรสูตรว่าด้วยเรื่องราวอันเป็นมูลแห่งธรรมะทั้งปวงพระผู้มีพระภาคประทับนโคนไม้สาลใหญ่ ในป่าชื่อสุภคะคือป่าโชคดีใกล้เมืองอุ ก, กัตถาณนะที่นั้นได้ทรงแสดงเรื่องราวอันเป็นมูลแห่งธรรมะทั้งปวงคือสัพพะธรรมะปุละปริยายมีใจความสำคัญแบ่งออกเป็นแดส่วนหรือแปดในเนื่องด้วยปุถุชนคือคนที่ยังหนาไปด้วยกิเลสหนึ่งในเนื่องด้วยพระเสข ค, คือพระอริยบุคคลผู้ยังศึกษา หมายถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีหนึ่งในเนื่องด้วยพระขีนาศบคือพระอระหันตผู้สิ้นอาสวะคือกิเลส ท, ที่ดองสันดานสในเนื่องด้วยพระศ า, าสดาสองในเมื่อกล่าวถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องแท้ก็มีเพียงสี่ประเภท 1. ปุถุทชนผู้ไม่ได้สดับ ย่อมรู้ตามสัญชานาติคือย่อมรู้ตามความจำถึงสิ่งต่างๆแล้วยึดถือว่าเป็นของเราเพราะไม่ได้กาหนดรู้ตามเป็นจริงซึ่งสิ่งนั้นๆนี้เป็นกาหนดภูมิปุทุชนในที่หนึ่งคำว่าสิ่งต่างๆเป็นคำรวบรัตในบาลีแสดงไว้ถึง21อย่างมีดินเป็นต้นมีนิพพานเป็นที่สุด 2. ภิกษุ